อันนึงคือไอ้อารมณ์แบบแรงๆแบบอารมณ์โกรธอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราใช้ชีวิตประจําวันเนี้ยแล้วมันมีความโกรธมีแบ บ, แบบแรงๆพวกอารมณ์แรงๆเนี้ยเห็นทันนะคะเห็นเห็นเร็วเห็นง่ายพอเห็นปุ๊บก็ก็รู้เลย ว, ว่าแบบจะโกรธไหมจะเข้าไปโกรธกับเขาไหมหรือว่าแบบถอยมาคือแบบมันสามารถเหมือนเหมือนมันมีเวลาให้เราอ่าจะเอาเงิน<ม><ม>อย่างเงี้ยเออเลื่อนได้เหมือนอย่างนั้นนะคะอืมอ แต่ว่าไอ้พวกอารมณ์แบบอารมณ์ดีๆะคะ่ะอารมณ์พอใจอารมณ์แบบชอบจังเลยส ง, งบอะไรแบบเนี้ยจะจะไม่ไม่ค่อยทัน่งจะหลงแบบหลงสบายใจไปแบบยาวแล้วค่อยถึงอา้าวนี่เราหลงนี่หว่าอะไรเนงะี้ยแต่แต่นานไปเลยอะ่ะก็เลยแบบอ๋อไอ้อพวกนี้มั น, นยากเนอ้เอไอ้พวกตัวดีเนี่ยความชอบใจออกยากกว่าไม่ชอบใจความชอบใจรู้ยากกว่า ไอ้ความความชอบใจรู้ยากกว่าความไม่ชอบใจเอความไม่ชอบใจจะเอแต่ความชอบใจเน่จะรู้ยากกว่าเ <Okay. S 1> ดียนๆเนี่ยตอนนี้จิตเรายังทํางานอยู่สองด้านนั่นแหละยังพอใจก็ทํางานอย่างหนึ่งไม่พอใจก็ทํางานอย่างหนึ่งพอใจก็ทาํา ง, ง, ทงานที่จะ ไหลเข้าไปร่วมกับเขาไม่พอใจก็ทํางานอย่างหนึ่งในการที่จะมีญาันเดี๋ยวถ้าจิตไม่ทํางานนะจิตเบลเบแขาดจริงๆไอความพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยมันจะค่อยๆเรียกว่ามันไม่คยให้ค่าไม่ค่อยให้ค่าไม่คยความหมายอะไรทั้งสิน้นค่ะทำอย่างนั้นได้คือต้องเห็นมันบ่อยๆเห็นมันซ้ําๆว่าไอสิ่งที่พอใจเกิดขึ้นแล้วมันก็สลายตัว ไอสิงที่ไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วก็สลายตัวแล้วมันเป็นการสลายตัวของมันเองด้วยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแล้วมันไม่เคยง้อเราด้วยออืแล้วมันไม่สนใจเราด้วยมันอยากมาก็มาไม่อยากไปก็ไปแล้วเราอ่ะต้องเหการมากันไปกับมันการเกิดและการดับของมันไปเรื่อยจนจิตมันมันยอมรับว่าไอพวกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละยังไงยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละคุณจะดีใจหรือไม่ดีใจกับมันหรือทีเกลียดมันจะรักมันมันก็เป็นมาอย่างนี้แหละ การเนี่ยในกฝึกเห็นเขาเกิดแล้วก็สลายเกิดแล้วก็สลายเกิดแล้วก็สลายบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้พาวะของจิตเริ่มก็สู่อารมณ์ของอุบเบกขารู้เฉยๆแค่รู้แค่เห็นเฉยๆไม่ได้ไปยินดียินร้ายกับมันบ่อยๆแต่ ว, ว่าจะมันจะรู้ตรงนี้ได้บ่อยอะ่ะมันต้องมีอารมณ์ที่ขึ้น อารมณ์ปัจจุบันที่มันรู้ร na, ทีละขณะทีละขณะเพราะว่าอารมณ์ปัจจุบันที่ละขณะทีละขณะมันจะเห็นการเกิดและสลายเกิดและสลายของทุกเรื่องราได้เยอะบ่อยขึ้นล้วต้องซ้อมจิตให้มันคุ้นชินการนี้ให้ได้ซ้อมจิตซ้อจิตให้เห็นคุ้นชินกับการภาวะมาแล้วก็ไปเป็นภาวะของทุกเรื่องทุกราวที่มันแวบเดียวแวบเดียวแวบเดียวแวบเดียวอยู่เรื่อยๆแล้วจิตมันจะ พอใจแล้วไม่พอใจทั้งอารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีมันจะเห็นแต่สักแต่ว่าเห็นว่ามันมาแค่แปบเดียวแล้วก็ไปบางเรื่อยบงเรือัแล้วแต่มันแต่มันก็แค่มาแล้วก็ไปนี่นะซ้อมตัวอยู่กับปัจจุบันที่มันปรโกฏขึ้นแบบแ่บเดียวไปบ่อยบางทีเรารู้หมืกันนะแต่เรารู้เรารู้ไม่รู้เน้นลงไปว่าเออเนี่ย มันเปิดแล้วเนี่ยมันหายไปแล้วมันเกิดไปแล้วมันหายไปแล้วอันเรียนรู้ตัวเองเห็นเห็นแล้วเหมือนแบบค่าชีวิตประจําวันทั่วไปไงค่ะมันมันจะเห็นสั้นๆนะคะแต่ว่าแบบไม่ได้ไม่ได้เห็นแบบเกิดขึ้นตั้งคิวแต่ไปอะไรเงี้ยไม่เห็นเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นแบบเห็นแต่ตอนเกิดเกิดแล้วก็แล้วเราก็เห็นอันอื่นต่ออะไรเงี้ยค่ะอไม่เห็นมันมันดักเหอพยายามไห ให้เห็นให้สัมผัสทั้งการเกิดแล้วหายไปเกิดแล้วหายไปของมันเรื่อยๆอย่างเช่นสมมติวอย่างตัวกรณีของเสียงเนะี่ยเสียงไหนที่มัน ด, งดงังดังเสร็จแล้วเอารู้ช่วงจวังหวะมันเกิดแล้วนะก็ไปรู้ช่วงจวังหวะระดับของมันด้วยแล้วก็ค่อยผ่าน<อ>ไปผเหนี่ยวสักนิดหนึ่งเหนียวนำสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเสียงไหนไม่ยาวเกินไปก็แค่รู้ช่วงจังหวอไปแล้วอย่างเงี้ยค่อยผ่าไปว่าเพื่อทําให้จิตเรานะ่ย ไ ด, ได้ดูสิ่งแบบนี้ให้ยาวขึ้นโดยไม่มีการดิดไที่ไหนก่อนเพราะช่วงนี้ยถ้าเราเข้มแข็งพอเนะี่ยเราคอยจัน่วงให้มันมันมีสมาธิในการดูอารมณ์ได้ยาวขึ้นปล่อยมันค <c oughs> ไม่ได้ที่จะปัดมันทิ้งก็จะ <c oughs> เห็นแต่และเรื่องมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วไปหเห็นแบบนี้บ่อยๆมีอะไรครจะรีบจนกระทั่งว่าดิดมันไม่ได้เรียกหรือไจรัก เมื่อจิตยังไม่รักเนี่ยเวลาไปเจออารมณ์ที่ชอบใจปุ๊บมันก็ยังเสพอยู่เวลาเจออารมณ์มันก็ยังเสพ อ, อ, อยู่อีกแทนที่มันจะดูเฉยเฉยว่าสิ่งนั้นมาแล้วได้สิ่งนั้นก็ไปแต่ไม่ใช่การ ค, คิดสัมผัสอาการนั้นค่ะสัมผัสอาการนั้นเลยนี่อส้การสัมผัสแต่เมื่อก่อนน่ะเราหน่วงไม่ได้เราหน่วงแล<ช>้วเราจะชอบต่าไง หลวเราชอบเราไต่ตามแต่ตให้จิตเราเริ่มรู้จักออกเป็นแล้วที่ออกเป็นแล้วที่ต้องขยับมาสเต็ปที่สองคือหน่วงเวลาให้มันได้รู้สักหน่อยนี่แล้วค่อยไปแล้วค่อยไปอันใหม่ต่อไม่ต้องรีบร้อนลอหาตัวเนรื่องดู่าาดีๆว่าสังเกต ด, ดูดีๆว่าเวลาที่มันสัมผัสกับเรื่องข้างในเนี่ยแต่อย่าทิ้งเรื่องข้างนอกให้ไม่เห็น ทั้งนอกเกิดแล้วสลายไปด้วยทั้งที่เรื่องข้างในยังเกิดอยู่เนี่ยเขาเห็นอยู่อย่างแบบนี้เหมือนเหมือนกับภาวะของตัวรู้ตัวที่มันเห็นทั้งสองฝักฟังอยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่มีนอกแต่ถ้ามันเห็นข้างข้างในแล้วข้างนอกหายไปเนี่ยแสดงว่ามันยังหลงอยู่ <c oughs> มันเห็ น, น, หนยัิตอยู่แต่ข้างนอกก็ยังมีเห็นการเห็นการเกิดการสลายการเกิดการสลายเขาข้างนอกควบควบคู่ก็ไปไม่เป็นไร <c oughs> นั่นแหละ เปิดโอกกาสให้จิตได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ทั้งสองสองเรื่องราวทั้งสองทั้งสองภาคส่วนว่ามันกับภาคส่วนนี้มันจะเป็นวิจิตพิสดานนรอะไรก็ตามแต่มันมเอาไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ได้ยึดด้เรียนรู้ไม่ได้นอนกับมันได้ เรียนรู้ความทุกข์เรียนรู้ความไม่เที่ยงเรียนรู้ความเป็นอนัตตาของมันเนี่ยให้มากเข้ามากรับแล้วจิตมันจะเริ่มวางเฉยกมันเองทั้งพอใจและไม่พอใจค่จะรู้ว่านะี่ยพยายามหน่วงมันให้หัดบางครั้งนะ่ะเราต้องให้ให้ให้จิตมันหัดออกเองบ้างเราไปช่วยมันออกจนกระทั่งมันออกเองไม่เป็นก็มีอ๋อล่อยอืม ปล่อยให้มันเอามืออยากทุกๆกไปแต่เราตั้งสติเราดีๆแล้วดดลเดี๋ยวให้จิตมันหัดออกให้มันหัดออกเองมันบ้างนงั้นเราช่วยปล่อยเข้าปล่อเข้าแล้วมันไม่ช่วยตัวเองอทุกทูกไปดูันทำกไปประมาณนี้